เจ้าคุณพระธรรมปิโดกล่าวว่าการศึกษาเริ่มต้นเมื่อเรากินอยู่เป็นการศึกษาเรื่องปัจจัยสี่มันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้เข้าใจปัจจัยสีให้ดีและปฏิบัติในปัจจัยสีให้ดีก็จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์ได้ดียังกายภาวนาในภาวนาสี กิตภาวนาศีลภาวนาปัญญาภาวนากายะภาวนาก็คือความเข้าใจเรื่องปัจจัยสี่ใช้ปัจจัยสี่เป็นเมื่อใช้ปัจจัยสี่เป็นมันก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับบุคคลกับสังคมเวลานี้ปัจจัยสี่มันเป็นพิษเป็นภัยกับมนุษย์เยอะเพราะว่าคนใช้ไม่เป็น ยิ่งมีมากก็ยิ่งใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษของที่มีคุณประโยชน์แก่มนุษย์แก่สังคมแต่พอใช้เกินกินเกินอะไรเกินมันก็กลายเป็นของให้โทษขึ้นมาแต่ทำใจยากสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการอบรมยังไม่ได้พาวิตะกายโยกายอันยังไม่ได้รับการอบรมแต่ถ้ามีกายที่ได้รับการอบรมแล้วทาง่าย อบรมกายนี่คือเรื่องปัจจัยสีนี่เองเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอันหนึ่งในการพัฒนาสีอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้คือถ้าคนใช้เป็นทรัพยากรต่างๆมันจะเหลืออยู่แก่สังคมเป็นของส่วนรวมประเทศจะร่ำรวยสังคมร่ำรวยแต่คนไม่จาเป็นต้องร่ำรวยปัจเจ ก, กชนไม่ต้องรวย ในอินเดียประชาชนจนแต่ประเทศรวยรวยขนาดสร้างระเบิดปรามนูได้ในไทยคนไทยรวยแต่ประเทศจนสร้างอะไรก็ไม่ได้ก็เอามาเป็นส่วนตัวซะมากประเทศอินเดียดอกเบี้ยงเงินฝากประจำร้อยละสิบในขณะที่ไทยเราที่มองว่าเจริญกว่าอินเดียร้อยละสองกว่ า, วาห่างกันเยอะ ดอกเบี้ยนี่แสดงถึงฐานะเศรษฐกิจเขาเศรษฐกิจโดยรวมของอินเดียดีแต่ดูแล้วประชาชนอาจจะยากจนบ้านเมืองเราถ้าประชาชนคิดอย่างนี้มักน้อยสันโดดเป็นส่วนตัวแต่ว่าทรัพยากรมันจะเหลืออยู่กับประเทศกับสังคม แล้วประเทศเราคนจะไม่ลำบากเหมือนอินเดียเพราะว่าคนเราน้อยทรัพยากรก็มีเพียงพอที่จะสนองความต้องการของเราได้แต่ว่าถ้าใช้ไม่เป็นก็เกิดเป็นพิษขึ้นมา40กว่าปีก่อนเรามีข้าวยางพาราไม้สักมีในตำราเรียนเลยว่าเป็นสินค้าอันดับหนึ่งแต่ปัจจุบันไม้สักนี่ไม่มีแล้วต้องซื้อมาใช้ ข้าวก็รายได้ไม่ใช่อันดับหนึ่งแล้วอันดับหนึ่งเป็นท่องเที่ยวฉะนั้นตัวหลักของเราที่เคยทำเงินกับประเทศชาติเดี๋ยวนี้เกือบไม่มีแล้วรายได้จากการท่องเที่ยวมันแฝงเอาโทษมาด้วยคนไทยก็ขายนั่นขายนี่กันวุ่นไปหมดสิ่งที่ไม่ควรขายก็ขายเช่นเหรียญพระพุทธรูปเป็นต้น มอมราชวงศ์คึกฤทิเคยบอกว่าเออพวกเรามันจนจนกระทั่งต้องเอาวัฒนธรรมมาขายกันแล้วมีเรื่องแทรกนิดหนึ่งครับเกี่ยวกับการฉันของพระพระป่วยนี่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ฉันน้ำเนื้อต้มได้แต่ต้องกรองซะก่อนให้เหลือแต่น้ำมีเรื่องก็คือนางสุปิยาชอบไปฟังเทศทุกวัน ตอนเย็นๆฟังเทศเสร็จแล้วก็เดินถามพระทั้งหลายว่าถ้าต้องการอะไรก็ให้บอกประวารณาไว้ก็ไปเจอภิกษุรูปหนึ่งป่วยท่านเป็นไข้ท่านบอกอยากฉันน้ําเนื้อต้มวันนั้นนางกลับไปบ้านหาเนื้อไม่ได้เป็นวันอุโบสถเลยเข้าห้องตัดสินใจตัดเนื้อขาของตนเองต้มมาถวายพระพระท่านก็ฉัน ความทราบถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสถามว่าตอนฉันนั้นพิจารณาหรือเปล่าพระท่านก็บอกว่าไม่ได้พิจารณาฉันโดยไม่ได้พิจารณาเป็นอาบัตทุกกฏแล้วก็ถ้าเป็นน้ำเนื้อมนุษย์เข้าอีกก็เป็นอาบัตทุลใจเลยปราบอาบัตทุลใจน้ำเนื้อต้มฉันได้บีบมะนาวได้เศรษฐีขี้หนูได้เพราะว่ามะนาวกับขี้หนูก็ฉันได้อยู่แล้วโดยปกติ แต่อนุญาตสำหรับพระป่วยนะครับถ้าไม่ป่วยฉันไม่ได้มะขามป้อมกับสมอพระฉันได้ในเวลาวิกาลใบอุตพิดฉันได้ท่านมีวิธีทำไม่ให้คันให้ฉันได้บางทีก่อนจะไปสวดศพอุตพิดใส่กับน้ำส้มท่านว่าทำให้คอดีบางวัดใช้น้ำต้มถั่วเขียวแต่ไม่ได้กรอง คือต้มจนเละเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้ไม่ได้ไม่ควรคุณสมบัติของผู้เผยแผ่าศาสนาข้อที่ 5. ห 5. ปันตันจัสยนาสนังเสพเส น, สนาสนะสังัดอันนี้เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของนักเผยแผ่อยู่ในเสนาสนะสังัด ต, ตามโอกาสอันควรถ้าดูตามพระพุทธพจน์หลายแห่งพระพุทธเจ้าจะตรัสถึงเมื่อจะปฏิบัติทางจิต คือต้องการจะทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็จะตรัสถึงว่าอรัญญาคโตวาลุขะมูลคโตวาสุญญาคารคโตวาภิกษุไปสู่ป่าบ้างไปสู่โคนไม้บ้างไปสู่สุญญาคารบ้างสุญญาคารในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเรือนว่างนะครับแปลว่าสถานที่ซึ่งห่างจากบ้านเรือนไม่ใช่เรือนที่ว่าง ยังป่าช้าก็ถือว่าเป็นสุญญาคารได้คือที่ไหนที่ไม่ใช่ป่าและไม่ใช่บ้านคือห่างไกลาจากบ้านนี่ความเข้าใจของผมผมว่าไม่ใช่บ้านร้างอย่างคำว่าสุญยาากาศแปลว่าไม่มีอากาศสุญญาคารก็คือที่ที่ไม่มีเรือนตั้งอยู่นี่ก็แสดงว่าต้องการให้ไปอยู่ในที่ส ง, งัดในที่บางแห่งพระพุทธเจ้าตรัสกับพระจุนทะ ในสันเลขสูตรอันนี้ก็เป็นพระพุทธพจน์ที่น่าสนใจมากทรงสอนให้เอาธรรมะเครื่องขาดเกล้าประเภทต่างๆมาเป็นเครื่องฝึกตนเช่นว่าไม่มีอภิชชาไม่มีพยาบาทเป็นต้นมาอบรมสั่งสอนแนะนำตนและตรัสถึงบุคคลที่มีตนยังเราาร้อนอยู่ก็จะทำให้ผู้อื่นสงบเย็นไม่ได้ตรัสในตอนหนึ่งว่า จุนทะแม้เพียงมีความคิดเกิดขึ้นในการที่จะทำความดีก็มีอุปการะมากแล้วในกุศลธรรมทั้งหลายจะกล่าวถึงการทำด้วยกายหรือด้วยวาจาให้สำเร็จู้ล่วงไปได้เพราะเหตุนี้แหละจุนทะเธอทั้งหลายพึงคิดอยู่เสมอว่าแม้คนเหล่าอื่นคิดเบียดเบียนกันเราจากเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกันดูก่อนจุนทะ ทำเครื่องขัดกล่าวได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจอันใดาาศาสดาผู้มุ่งประโยชน์แก่สาวกผู้เอ็นดูผู้อนุเคราะห์พึงกระทำกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่เธอทั้งหลายดูก่อนจุนทะนั่นโคนไม้นั่นสุญญาคารเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิอย่าประมาทอย่าต้องเดือดร้อนในภายหลังนี่คือคำสอนของเราต่อเธอทั้งหลาย อันนี้เป็นข้อความในสันเลขสูตรทีนี้มองในแง่กลับบ้างถ้าเราเพียงแต่คิดจะทำความชั่วก็ชั่วมากแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าจะลงมือทาที่ผมโยงมาเรื่องนี้ต้องการให้ดูที่พระพุทธเจ้าตรัสดูก่อนจุนทะนั่นโคนไม้นั่นสุญญาคารเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทนี่คือต้องการให้เสพเสนาสนะสั ง, งัด อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องภิกษุวัชีบุตรบุตรของชาววัชีท่านเป็นเจ้าชายในราชวงศ์สละราชสมบัติที่จะมาถึงแก่ตัวในระยะที่ไม่ไกลนักก็ออกบวชอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวยังหนุ่มอยู่เขามีมหหรสพในเมืองเวสาลีเสียงดนตรีก็แว่วมาถึงท่านเดินจงกรมอยู่ในป่าผู้เดียวท่านก็รำพึงว่า ในราตรีที่แจ่มกระจ่างอย่างนี้คนทั้งหลายเขาสนุกสนานรื่นเริงกันคนที่อยู่ในวัยเดียวกับเราสนุกสนานร่าเริงกันใครหนอที่จะด้อยกว่าเราเทวดาก็ได้ยินจึงพูดกับท่านว่าความสงบของท่านเวลานี้เป็นที่กระยิ่มของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหมือนกับสัตว์นรกกระยิ่มต่อเทวดาชั้นต่างๆ ท่านก็รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะมีกำลังใจรุ่งเช้าก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุเคราะห์ด้วยธรรมเทศนาที่ไพเราะและท่านก็ได้สําเร็จมากผนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าการบวชเป็นของยากดุกป ป, ปัตชังดุระพิระมังการยินดีในการบวชก็ยากดุราวาสาฆราดุกขา เรือนที่ครองไม่ดีเป็นทุกข์การครองเรือนไม่ดีเป็นทุกข์ดุขโขสมานะสังวาโสการอยู่ร่วมกับคนเสมอกันก็เป็นทุกข์เพราะแข่งดีกันเพราะฉะนั้นอย่าได้เป็นผู้เดินทางไกลอย่าถูกทุกติดตามเดินทางไกลนี่หมายถึงเดินในสังสารวัฏตัสมานจัตทะคูศิยาเพราะฉะนั้นอย่าเป็นผู้เดินทางไกล น่าจะดุกขานุปตติโตสียาและอย่าถูกทุกติดตามท่านก็ได้กําลังใจจากเทวดามาแล้วแล้วก็มาได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าไพเราะท่านก็ได้สําเร็จมรรคผลเราอยู่ร่วมกับคนเสมอกันเป็นทุกข์เพราะแข่งดีกันไม่มีหัวมีก้อยเกิดสารัมภะกิเลส ต, ตัวแข่งดีกันก็เป็นทุกข์ เพราะท่านก็เป็นเจ้าชายคงมีเจ้าชายหลายคนพระพุทธเจ้าคงจะท้าความถึงตรงนี้ว่าอยู่ร่วมกับคนเสมอกันก็เป็นทุกข์ทีนี้ถ้าจะศึกออกมาครองเรือนถ้าครองเรือนไม่ดีก็เป็นทุกข์ลองยกตัวอย่างดูก็ได้ครอบครัวหนึ่งพ่อก็เมาแม่ก็เอาแต่เล่นการพ น, นันแล้วก็ยากจนลำบากลูกก็เกิดมากระจององอแงลำบากต้องเร่ร่อน นี่เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆ น, นี่เรือนที่ครองไม่ดีพ่อแม่ไม่เป็นหลักเป็นฐานไม่เป็นชิ้นเป็นอันถ้าพูดถึงว่าครองเรือนดีแล้วก็ยังต้องเดินทางไกลในสังสารวัตรอยู่ดีมันก็เป็นทุกข์ที่ยืดเยื้อยาวนานสำหรับคารวาะก็หาที่สงบสงัดบ้างเป็นครั้งคราวตาลที่โอกาสจะอํำหนวยให้ปันตันจะสยนาสนัง ที่นอนที่นั่งอันสงัดเป็นครั้งคราววันหนึ่งได้สักสานาทีหรือว่าชั่วโมงหนึ่งหรือหกเจ็วันสักครั้งหนึ่งก็ได้ได้ที่สงบสงัดก็จะทําให้จิตใจสงบผ่องแผ้วขึ้นมีความสุขร่มเย็นมากขึ้นทุกวันนี้เราคอยแต่มองดูคนอื่นไม่มีโอกาสหันกลับมามองดูตัวเองมีเวลาว่างสักเดือนละครั้งปีละครั้ง ไปหาที่ส ง, งบส ง, งัดดูตัวเองหรือดูที่บ้านก็ได้ถ้าเผื่อบ้านส ง, งัดพอที่วัดอาจไม่ส ง, งบก็ได้ในมหาปรินิพพานสูตรที่มีชาวบ้านบางจำพวกไปเฝ้าตอนที่พระองค์เสด็จไปนิพพานพอคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จเข้าสุญญาคารในพระไตรปิฎกในมหาปรินิพพานสูตรพูดอย่างนี้ ก็แสดงว่าหมายถึงที่สังัดของพระองค์ไม่ใช่เรือนว่างเรือนร้างแต่หมายถึงที่สังัด ต, ต่อไปผมจะพูดเรื่องวิเวกสามวิเวกก็แปลว่าความสังัดกายวิเวกหมายถึงไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะมีการสังัดจากหมู่อยู่คนเดียวซะบ้างตามโอกาสอันควร มีโอกาสอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวซะบ้างเพื่อจะได้กายวิเวกคือความสังัดทางกายจิตวิเวกหมายถึงความสังัดทางจิตความหมายเต็มรูปท่านหมายถึงการได้ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่8อุปธิวิเวกหมายถึงความสงัดจากกิเลสความหมายเต็มรูปก็ได้แก่ความสงัดจากกิเลสคือความไม่มีกิเลสตัดกิเลสได้ อย่างพระโสดาบันก็ตัดไปได้สามสกิทาคามีอนาคามีก็ได้มากขึ้นอันนี้เป็นอุปธิวิเวกท่านในความหมายที่ผ่อนลงมาปุถุชนไม่สามารถจะทำได้อย่างนั้นก็น้อยกว่าท่านกายวิเวกก็อยู่สงัดกายบ้างไม่คลุกคลีกับหมู่คณะอยู่ตลอดเวลาหรือจิตตวิเวกก็จิตสงบบ้างไม่วุ่นวายเกินไป อุปเิวิเวกก็ละกิเลสได้บ้างแม้จะเป็นครั้งคราวเป็นตะทางคะปหารเป็นตะทางฆาวิมุตติตะทางทนิโรธก็ได้นิพานชั่วคราวมีอีกแห่งหนึ่งที่กล่าวถึงปะวิเวกมีความหมายว่าหนึ่งละความเป็นผู้ทุศีลห่างไกลจากความเป็นผู้ทุศีลและเป็นผู้มีศีล 2. ละมิจฉาทิฏฐิห่างไกลจากมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ 3. ละอาสวะห่างไกลจากอาสวะเป็นผู้สิ้นอาสวะอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สหน้า311ภาษาไทยข้อห้าสาม ผมขอพูดเรื่องพิเศษเกี่ยวกับเรื่องความสังัดซึ่งอยู่ในปันตันจะสยนาสนังที่นั่งที่นอนอันสงังกัดไปอ่านบทความบทมหนึ่งชื่อว่า The Power of Silence ของท่านหริธาชาวทุลีในหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ The Power of Silence พลังของความเงียบหรือกําลังแห่งความเงียบท่านเขียนไว้ดีมากบอกว่า ความสงบเงียบเป็นแหล่งพลังอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์มีความลับของชีวิตหลายอย่างที่อาจรู้ได้ด้วยความเงียบคือในเวลาที่วุ่นวายอยู่จะไม่รู้แต่ว่าพออยู่ในที่เงียบสงัดก็จะรู้นี่ก็เป็นด้วยอนุภาพแห่งความเงียบนั่นเองสังเกตดูบางทีแม้แต่เราจะต่อเบอร์โทรศัพท์ถ้าฟังวิทยุดังๆไปด้วยบางทีมันจาเบอร์ไม่ได้ พอปิดวิทยุชั่วคราวความจำมันดีขึ้นจะกดโทรศัพท์ได้แม่นยำขึ้นท่านผู้เขียนได้พูดถึงคำพีอุปนิษัตต์คำพีอุปนิษัตต์ได้พูดถึงความเงียบว่าคือพระเจ้า God is silence ในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงอุทานตอนตรัสรู้ใหม่ๆสุโขวิเวโกตุถัสสะสุตตะธรรมมัสสะปัสโต สำหรับผูท้ที่พอใจสันโดษมีธรรมซึ่งได้สดับแล้วได้เห็นธรรมแล้วความวิเวกเป็นความสุขมีเด็กหนุ่มสี่คนชวนกันไปหาครูขอให้ช่วยบอกช่วยสอนพลังที่ยิ่งใหญ่คือพร ม, มันอาจารย์ก็ไม่สอนนั่งเงียบพอเวลาล่วงไปหลายวันก็บอกลูกศิษย์ว่าความเงียบที่ยิ่งใหญ่นั่นเอง ค, อมมคือพรมันคือพรม ขอให้เขาอยู่ในความสงบแล้วเขาจะได้เห็นสิ่งที่เขาต้องการนักคิดผู้ยิ่งใหญ่เช่นมหาธมาคารทีอันนี้ผมพูดเองนะครับไม่ใช่ฮาริทาชาวทุรีท่านเปาบุญจินเวลาท่านติดปัญหาใหญ่ๆท่านจะเข้าหาความเงียบท่านมหาธมาคานทีวันจันเป็นวันเงียบคือไม่พูดเลยถ้าถึงคราวจาเป็นจะต้องไปประชุมใหญ่ แม้จะประชุมนานาชาติท่านก็จะเขียนให้เลขาส่งไปที่ประชุมแต่ท่านจะไม่พูดเลยในหนังสือนั้นได้บอกว่าความสงบเงียบความการุณาทำให้ท่านมหาตมะคารทีมีเสน่ห์มาก Human Magnetic คือมีแรงดึงดูดที่สูงมากสำหรับมนุษย์ใครได้เข้าใกล้จะมีความรู้สึกรักและพอใจ มีความรู้สึกแปลกว่าที่เข้าใกล้คนอื่นจนถึงกับว่าทางอังกฤษเวลาส่งคนมาปกครองอินเดียท่านผู้ใหญ่ก็จะสั่งเอาไว้ว่าถ้าเผื่อไม่อยาก ร, าารักานพีก็อย่าเข้าใกล้ท่านความสงบภายในของบุคคลได้กระจายพลังออกมาทำให้คนเข้าใกล้รู้สึกมีความสุขและชุ่มเย็นก็เลยทาให้อยากเข้าใกล้อีอยากมีความสุขเช่นนั้นอี เพราะธรรมดาคนเรานี้อะไรที่ให้ความสุขก็อยากจะทำซ้ำํามีคนเคยถามท่านคารทีว่าในบ้านปลายแห่งชีวิตท่านมีอะไรจะพูดไว้สําหรับเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังบ้างท่านบอกว่าชีวิตทั้งหมดของท่านนั่นแหละคือคําพูดของท่านอยากรู้ว่าท่านพูดอะไรก็ดูความเป็นอยู่ของท่านมีหนังสือเล่มหนึ่งกล่าวไว้ว่า ดวงจันทร์วันเพ็ญดวงอาทิตย์ยามเช้าร่มไม้ใหญ่กลิ่นหอมของดอกไม้อันนี้เป็นที่ดึงดูดจิตใจของบุคคลให้มีความสงบและร่มเย็นคุณสมบัติของผู้เยผยแร่ศาสนาข้อที่6 6. อาทิตจิตเตจะอายโคการประกอบความเพียรด้วยการเอื้อเฟื้อในอาทิตจิต อธิจิตหมายถึงสัมมาสมาธิในองค์อริยมรรคอธิจิตเตจะอายโยโคเอตังบุต ธ, ธานศาสนังท่านสรุปว่านี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอธิจิตคือจิตตะศิขาในมรรคมีองค์8ซึ่งมีอยู่สมองค์ด้วยกันคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิรวมเป็นจิตตะศิขา ให้ประกอบให้มีความเพียรอย่างเอื้อเฟื้อโดยเอื้อเฟื้อในอาทิตจิตอาทิตจิตเตจะอายโยโคอายโยโคคือมีความเพียรอย่างเอื้อเฟื้อคำว่าเอตางบุตานศาสนังเป็นคำที่ถูกแล้วแต่ว่ามีหลายท่านทวงว่าต้องเป็นบุตานุศาสนังคือว่าเป็นอนุสารของพระพุทธเจ้า ถ้าเป็นบุทธานุศาสนังอันนี้เป็นคำติดกันอันนี้ขอพูดในภาษาศาสตร์นิดหนึง่งคือแยกเป็นบุทธ h กับอนุศาสนังแต่ในตำรานั้นเป็นบุทธานาศาสนังแปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ความเห็นผมว่าบุทธานาศาสนังนั้นถูกแล้วเพราะมีตัวอย่างเทียบหลายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่เจงเป็นบุทฐานนางแต่ว่าความเป็นฉันทะลักบังคับให้ต้องลบนิคหิตออกอยังบางอย่างก็มีเอสาบุท ธ, ธานธรรมตาพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันล้วนแต่เคารพพระธรรมสัตธรรมโมคุรุกาตั บ, บูเอสาบุท ธ, ธานธรรมตานี่ก็เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย การที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเคารพพระธรรมนี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นเอสาบุ ธ, ธานธรรมตาก็เป็นบุต ธ, ธานะเหมือนกันที่จริงบุต ธ, ธานังแต่ว่าฉันทลักบังคับให้เป็นบุต ธ, ธานะเหมือนอย่างนาคีมีพิษเพียงสุริโยความจริงก็คือเพียง แต่ฉันทะลักบังคับไม่โพจึงกลายเป็นเพียงอธิจิตประกอบด้วยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะก็กล่าวถึงความเพียรสี่อย่างคือหนึ่งสังวรปรทานเพียรระวังบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดสปหาณรปทานเพียรระวังบาปที่เกิดขึ้นแล้ว 3. ภาวนาประทานเพียรให้บุญกุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น 4. อนุรักษนาประทานเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ดำรงอยู่และเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป 4. ข้อนี้เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ในมาาัคคุเทศก์สูตรนี่เป็นคําอธิบายของพระพุทธเจ้าเต็มรูปในอริยมรรค ทีนี้ถ้าเราจะผ่อนลงมาใช้กับเรื่องอื่นๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือการทำงานอะไรก็แล้วแต่ก็เอาสี่อย่างนี้ครับไปสวมเข้าได้เลยคำว่าวายามะกับประานเป็นไวยพจน์ของกันได้นะครับเช่นว่าระวังความเกียดคร้านที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นและความเกียดคร้านที่เกิดแล้ว ทำความเพียรที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นรักษาความเพียรที่เกิดแล้วให้คงอยู่และเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่สำหรับผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนประยุกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันใช้ได้กับทุกเรื่องอย่างการไปทำงานก็คือระวังอย่าไปสายถ้าเคยไปสายก็ละเสียทำการไปตรงเวลาให้เกิดขึ้น เมื่อไปตรงเวลาแล้วก็ขอให้รักษาการไปตรงเวลานั้นไว้หรือให้ไปก่อนเวลาพระพุทธเจ้ามักจะทรงแสดงธรรมสองปริยายคือปริยายเบื้องต่ำกับปริยายเบื้องสูงปริยายเบื้องต่ำก็มักจะเอามาใช้กับอะไรต่ออะไรได้ส่วนปริยายเบื้องสูงก็จะเป็นความหมายเต็มรูปของธรรมนั้ น, น, น อย่างนิพพานก็ทำให้นึกถึงคำพูดของพระนางกีสาโคตมีที่พูดถึงเจ้าชายสิทธัตถะว่านิบุตตาโนนะสามาตานิพุตโตโนนะโสปิตานิพุตตาโนนะสานารียัสสายางอีดิโสปติผู้ชายเช่นนี้เป็นบุตรของมารดาใดมารดานั้นก็เย็นใจ เป็นบุตรของบิดาใดบิดานั้นก็เย็นใจได้เป็นสามีของสตรีใดสตรีนั้นก็เย็นใจได้ตรงนี้เป็นเนื้อหาข้อความลีลาไพเราะมากเย็นใจก็คือนิบุตตาแปลว่านิพพานนั่นเองถ้าในปริยายเบื้องสูงก็คือนิพพานปริยายเบื้องต่ำก็หมายถึงความเย็นใจ หัวข้อต่อไปอาจารย์พูดถึงสัมมาสติค่ะในตำราก็ระบุถึงสติปัฏฐานผมขอเสนอให้ท่านผู้ฟังไปอ่านสติปัฏฐานสูตรหรือมหาสติปัฏฐานสูตรและอ่านอัตถกถาด้วยก็จะได้อะไรเยอะได้ความรู้ความเข้าใจได้ทัศนะมากมายเพราะว่ายาวมากมีข้อความดีๆท่านเรียงร้อยเอาไว้ ในอัธกถามหาสติประธานสูตรเช่นยกตัว อ, อย่างคถาที่ว่ายางปัสสติหน้าต่างดิษถังบุคคลย่อมเห็นสิ่งใดสิ่งนั้นเขาไม่เห็นแล้วยา ง, างดิษถังต่างหนปัตสติสิ่งใดที่เขาเห็นแล้วเขาย่อมไม่เห็นสิ่งนั้นอปัสสางบัชเ ต, เตมุลโหเมื่อไม่เห็นก็เป็นคนหลงและถูกผูกมัด บัชมาโนนบุชติเมื่อถูกผูกมัดก็ไม่หลุดพ้นสำนวนเหล่านี้เป็นของพระอัจถริท่านพยายามอธิบายอะไรต่ออะไรที่ท่านต้องการจะชี้แจงในที่นี้ท่านต้องการจะชี้แจงถึงความเลื่อนไหลของสิ่งต่างๆความที่สิ่งทั้งหลายมันเป็นไปเพียงชั่วคราวที่ท่านใช้ในภาษาปรัชญาว่าโมเมนตารินส ว่ามันเป็นไปเพียงชั่วขณะเช่นว่าบุคคลย่อมเห็นสิ่งใดในปัจจุบันสิ่งนั้นเขาไม่เห็นแล้วหมายความว่าอะไรที่เขาเห็นแล้วในอดีตก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วเขาเห็นในปัจจุบันแต่ในอดีตเขาก็ไม่เห็นคือผ่านพ้นไปแล้วสิ่งที่เขาเห็นในอดีตมันผ่านพ้นไปแล้วอย่างดางิถังต่างนับปัจจิต สิ่งใดที่เขาเห็นแล้วในอดีตเขาไม่เห็นสิ่งนั้นในปัจจุบันอาปสสาสังบัชเ ต, เตมุนโโหคนหลงเมื่อไม่เห็นความจริงข้อนี้ก็ถูกผูกมัดคือนำอดีตกับปัจจุบันมาโยงกันเมื่อถูกผูกมัดก็ไม่หลุดพ้นคือแสดงถึงอารมณ์ใดหรือสิ่งใดที่เราได้เห็นแล้วในอดีตก็ดับไปแล้วเราจะไม่เห็นในปัจจุบัน แต่จิตของเรามักจะหน่วงเหนียวและโยงกันเข้ามาก็ทำให้เป็นคนหลงและถูกผูกมัดเมื่อถูกผูกมัดก็ไม่หลุดพ้นลองนึกดูว่าที่เราเศร้าโศกนั้นก็เพราะเราจะปลารพถึงอดีตแล้วเราก็เศร้าโศกเช่นพ่อตายแม่ตายลูกตายเราก็คำนึงถึงอดีตยิ่งเราคิดถึงอดีตมากเราก็ยิ่งเศร้าโศกมาก เพราะว่าเราโยงปัจจุบันกับอดีต ท, ที่จริงสิ่งเหล่านั้นมันล่วงไปหมดแล้วจะกลับให้มาเป็นใหม่ก็ไม่ได้ดังนี้เป็นต้นและจะมีคาถาที่ปราปลาอยู่เต็มไปหมดในอัถกถามหาสติปัฐานในข้อที่ว่าสัมมาสติก็ให้เอามหาสติปฐานมาเป็นหลักในการพิจารณา ในพระพุทธพจน์ท่านอ้างถึงสติปัฏฐานคือเจริญสติปัฏฐานอันนี้ความหมายเต็มรูปของสัมมาสติคือพิจารณากายในกายจิตในจิตเวทนาในเวทนาธรรมในธรรมความหมายโดยยอที่สุดก็คือว่าให้เห็นกายสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจิตสักแต่ว่าจิตธรรมสักแต่ว่าธรรม ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขารายละเอียดท่านก็แบ่งกายานุปัสนาออกเป็นหกบับหรือขั้นตอนมีอิริยาบถะบับพระเกี่ยวกับอิริยาบถสามปััญญะบับพระเกี่ยวกับสัมปััญญะทํานองนี้เป็นต้นไปจนถึงอาณาปานสติเป็นกายแต่ละอย่างแต่ละอย่าง อานาปานาสติก็อยู่ในกายานุปัสนาที่คนนิยมทำกันมากยกตัวอย่างอีกสักนิดหนึ่งอิริยาประบับพระเดินยืนนั่งนอนอันนี้เป็นหลักใหญ่สามปัญญะบับพระก็จะแยกย่อยออกมาเช่นจะกินจะดื่มนุ่งผ้าใส่เสื้อหมจีวรรือบาทถ่ายอุจจาระปัสสาวะ จะมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดแยกย่อยออกมาจากอิริยาบทสี่ในอัธกถ า, าท่านจะพูดละเอียดมากเช่นในการเดินนี่ใครเดินที่จริงแล้วบุคคลไม่ได้เดินเป็นแต่เพียงว่าจิตคิดจะเดินแล้วก็ทำให้วายโยธาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เคลื่อนไหวได้เดินไปได้ จิตคิดจะนั่งคิดจะนอนคิดจะยืนก็เหมือนกันทำนองเดียวกันฉะนั้นจึงว่าไม่มีผู้ยืนไม่มีผู้เดินไม่มีผู้นั่งไม่มีผู้นอนมีแต่จิตคิดจะเดินคิดจะนั่งคิดจะนอนแล้วอาการที่เดินก็เป็นสมมุติบัญญัติอะไรทำนองนี้นะครับเกิดขึ้นถ้าอ่านให้ละเอียดก็ดีครับ ได้ความเรื่อ ง, งในธรรมขอให้ทราบไว้อย่างหนึ่งว่าการเจริญสติปัฏฐานนี้เราไม่ต้องตั้งใจว่าจะทำพร้อมกันเวลาทำมันก็จะพร้อมกันเองคือว่าทั้งกายเวทนาจิตธรรมมันจะไปพร้อมกันไม่ต้องแยกว่าตอนนี้เรากำลังทำกายานุปัสสนาต่อไปจะทำจิตานุปัสสนา พอทำเข้ามันก็มาหมดพร้อมกันพอนั่งเข้าสักพักเวทนาเกิดจิตก็ฟุ้งซ่านก็กำหนดเวทนาทมก็เกิดจิตเป็นอย่างไรในเวลานั้นจิตมีโทสะหรือไม่มีโทสะนี่ก็เป็นการพิจารณาจิตแล้วก็อะไรเกิดขึ้นนิวรณ์เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนิวรณเกิดขึ้นด้วยเหตุใด นิวรจะดับไปเพราะเหตุใดอันนี้ก็เป็นธรรมานุปัสสนาอย่างนี้นะครับเวลาปฏิบัติจริงมันทำพร้อมกันไปหมดเหมือนเครื่องยนต์เราแยกอธิบายได้ว่านี่หัวเทียนนี่แบตเตอรี่นี่หม้อน้ำแต่พอสตาร์ทเรื่องทุกอย่างทำงานพร้อมกันหมดการปฏิบัติในสติปัฏฐานก็เหมือนกันที่จริง ทั้งทางอัธกถาก็ตามทั้งทางความเข้าใจของอาจารย์ทั้งหลายก็ตามสติประฐานมีหนึ่งคือการตั้งสติแต่ว่ามีอารมณ์สี่คือกายเวทนาจิตธรรมเหมือนโต้ตัวเดียวแล้วมีสีขาคือในอัธกถาท่านเปรียบว่าเหมือนมีเมืองเดียวและมีสี่ประตูใครอยู่ทางไหนก็มาทางประตูนั้น ขอย้ำว่าการเข้าหาศาสนาต้องเข้าหาพระธรรมแล้วจะไม่ผิดหวังถ้าเผื่อเข้าหาผู้อื่นที่ไม่ใช่พระธรรมอาจจะสมหวังบ้างผิดหวังบ้างประสบปัญหาบ้างแต่ถ้าเข้าหาพระธรรมจะไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าพระธรรมนี้จะมีลักษณะที่ให้ความเยือกเย็นแก่ผู้เข้าหาศึกษาปฏิบัติพระธรรม น่าเสียดายว่าในชีวิตจริงของคนเรานี้คนที่ดำเนินชีวิตด้วยสติมีสติในชีวิตประจำวันนี้มีไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นอกจากนั้นก็ดำเนินชีวิตขาดสติก็อารมณ์เป็นใหญ่มีพระพุทธพจน์อยู่แห่งหนึ่งที่ท่านใช้คำว่าสตาทิปเตยยามีสติเป็นใหญ่สิกขานิสังสา มีการศึกษาเป็นอานิสงส์ปัญญุตรามีปัญญายอดเยี่ยมวิมุตติสารามีวิมุติเป็นสาระเป็นแก่นในพระสูตรบางแห่งก็ตรัสว่ามหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเข็มธรรมวินัยนี้มีรสเดียวคือวิมุตติรสเอกะระโสวิมุตติรโสคือว่ามุ่งตรงไปสู่ความหลุดพ้น สติปัฏฐา น, นี่ก็ทรงแสดงว่าเป็นเอกายะมัคโคเอกายโนโอายังพิกเวมัคโคเป็นทางสายเอกที่จะนำสัตว์ทั้งหลายไปสู่ความหลุดพ้นหัวข้อต่อไปสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิในองค์อริยมรรคก็ระบุถึงฌานตั้งแต่ฌานหนึ่งถึงฌานสี่ ก็จะขอพูดถึงชาญสองก่อนคือ 1. อารัมณูปนิชชานังแปลว่าการเพ่งอารมณ์อันนี้ก็คือสมถะนี่เอง 2. ลักขณูปนิชชานังการเพ่งลักษณะก็คือไตรลักษณ์นี่ก็คือวิปัสสนามาถึงชาญสี่พูดถึงองค์ชานนิดหนึ่งเพราะอันนี้ค่อนข้างสำคัญ ปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งก็คือความสงบประนีตของจิตในระดับต้นระดับที่หนึ่งก็จะประกอบด้วยองค์5วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาวิตกหมายถึงจิตแนบสนิทกับอารมณ์หรือจิตจับอารมณ์วิตตกไม่ใช่ความตรึกอย่างในความหมายที่อื่นที่อื่นหมายถึงความตรึก เช่นกามวิตกความตรึกในเรื่องกามพยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องพยาบาทวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องความเบียดเบียนแต่ในที่นี้เป็นการที่จิตแนบสนิทกับอารมณ์ของกรรมฐานเรียกว่าวิตกเหมือนกับเราจับปลาได้ที่แรกจับแล้วหลุดจับแล้วหลุดที่นี้จับแน่นไม่หลุดนี่คือวิตก จิตกับอารมณ์เป็นอันเดียวกันอยู่ด้วยกันสมมติภาวนาพุทโธพุทโธจิตก็ไปแนบสนิทอยู่กับพุทโธหรือที่เห็นได้ชัดก็คืออานาปนสติก็คือตามลมหายใจเข้าออกและจิตแนบสนิทอยู่กับลมหายใจไม่ฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นนี่ก็วิตก วิจาร์คือการที่เคล้าอยู่กับอารมณ์นั้นไม่ไปไหนคลายตัวออกมานิดหนึ่งแล้วก็เคล้าอยู่กับอารมณ์นั้นไม่ไปไหนเหมือนกับเราจับเด็กซนได้จับได้แล้วก็เอามือลูบหัวลูบตัวของเด็กอยู่อย่างนั้นนี่คือวิจารปีติความเ อ, อิบอิ่มหรือความอิ่มใจสุขความสบายใจ เอกขตานี่ความจริงมาก่อนแล้วนั่นคืออารมณ์เดียวต้องมีอารมณ์เดียวก่อนแล้วจึงจะแนบสนิทกับอารมณ์อยู่กับอารมณ์นั้นเป็นอันเดียวกับอารมณ์นั้นนี่เอกคตาอย่างนี้ก็เป็นปฐมฌานท่านจึงบอกว่าปฐมฌานนั้นละองค์าและประกอบด้วยองห้าละองค์าก็คือละนิวรห้า พอมาถึงธุติยชฌานวิตต ก, กะวิจารานังบูปสมาละวิตกวิจารเสรได้เพราะวิตกวิจารสงบไปเนื่องจากเกิดการอยู่ตัวขึ้นคือมันคุ้นไม่ต้องไปซีเรียสกับสิ่งนั้นเหลือแต่ปีติสุขเอกคตาเอกคตานี้จะยืนโรงอยู่ตลอดก็เข้าธุติยชฌาน พอมาถึงตติยชฌานปีติก็ถูกพรากไปคือว่าละปีติไปได้เหลือแต่สุขกับเอกคตาปีติยาจะวิราคาอุเปคโกพอมาถึงจตุทะฌานก็ละสุขเสียได้เหลือแต่อุเบคขากับเอกัคตาสุขัสสะจะปะหาน า, นาดุกขัสะจะปะหาน า, นา เพราะละสุขและทุกข์เสดได้ปุเบวะโสมณัสสะโดมณัสสานังอาจถังขามาเพราะการดับไปของโสมณัตโทมณัตที่มีในการก่อนแล้วก็เข้าสู่จตุทชาญซึ่งมีสติอันบริสุทธิ์พระอุเบกขาอยู่อะดุคมะสุ ข, ขังอุเบกขาสติปาริสุทธิ์ทิง จตุดถางชาแ น, นงอุปสามปัชชาวิหรารติก็มีอุเบกขากับเอกคตาหลังจากจะตุดชานแล้วไปถึงปัญจมะชานชานที่ห้าชานที่หกชานที่7จชานที่แก็คงมีองค์สองคืออุเบกขากับเอกคตาไปตลอดเพียงแต่ว่าลึกลงไป แต่ในพระบาลีพุทธพจน์ที่เกี่ยวกับสัมมาสมาธิในอริยมรรคนี้ก็กล่าวถึงแต่ฌานสี่เท่านั้นไม่ได้ไปถึงฌานที่แปดทำไมถึงไม่ได้กล่าวถึงฌานที่หถึง8อันนี้ไม่ทราบอาจจะมองเห็นว่าถ้าทำอมพินยาฌานที่สี่นี่ก็พอแล้วเพราะว่าถึงจะได้ฌาน8ปเวลาจะทำอพินยาก็ต้องกลับมาฌานที่สี่ แล้วก็ออกจากฌานที่สี่แล้วจึงทำฌานที่สี่ให้เป็นบาตรแล้วก็ทำปิญญาต่างๆแล้วแต่ต้องการจะทำอะไรอันนี้ในปริยายเบื้องสูงท่านหมายถึงฌานสี่ในสมาสมาธิอาทิจิตตาโยคะที่เกี่ยวกับสัมมาสมาธิคราวนี้ถ้าจะมีปัญหาถามว่าท่านที่เป็นวิปัสสนาญาณิ คือเจริญวิปัสนาล้วนเป็นสุขาวิปัสสกเสร็จแล้วเป็นสุขาวิปัสสกไม่ได้เจริญสัมมาสมาธิอย่างนั้นหรือเพราะเหตุที่ว่าไม่ได้ฌานสี่ตามที่ระบุไว้ในสัมมาสมาธิตอบว่าไม่ใช่ตอบว่ า, วาท่านเจริญมรรคมีองค์8ดครบก็ได้สามมาสมาธิเหมือนกันแต่เรียกว่าวิปัสนาสมาธิ คือสมาธิที่ได้จากการเจริญวิปัสนาไม่ใช่อารามณูปนิชฌานแต่ท่านเป็นลักขณูปนิชฌานท่านได้ฌานเหมือนกันแม้แต่สมาธิที่ได้จากกุศลเช่นการเจริญบุญกิริยาวัตถุข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็รู้สึกมีความสุขมีความสบายใจและจิตสงบลงเพราะปราบบุญกุศลนั้น อันนี้ท่านเรียกว่าธรรมสมาธิและเป็นจิตตสมาธิได้สองตัวเพราะได้ธรรมสมาธินั่นเองจึงเกิดจิตตสมาธิขึ้นนี่ปรากฏในสังยุตติกายสลยายตนวัชพระไตรปิฎกเล่มที่18ว่าด้วยจิตตสมาธิและธรรมสมาธิบางคนไปทำบุญปลื้มใจมากน้ำตาไหลเลยอันนี้ปีติ ต้องให้ปีติสงบลงก่อนจึงจะได้จิตตสมาธิปีติมันโลดโผนต้องได้เป็นปีติปสัสสธิแล้วก็สมาธิมันจะมาตามลำดับแต่ว่ามันเกิดขึ้นรวดเร็วนะครับมีสมาธิอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างแปลกพระท่านสวดมนต์กันบ่อยแต่ว่าเราส่วนมากก็ฟังไม่ออกเรียกว่าอนันตริกะสมาธิ อยู่ในรัตนสูตรว่ายามุทธธเศสโถปริวันณีสุจริงสมาธิมานันตริกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสมณวิชติแปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสันเสริญสมาธิใดว่าสะอาดคืออนันตริกะสมาธิท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่า สมาธินั้นเป็นอนันตริกะสมาธิคือว่าไม่มีสมาธิอื่นที่ยิ่งกว่าอันนี้ท่านหมายถึงสมาธิที่สัมปยุตด้วยอรหัตมัติอันนี้ตามนายะอัฏกถารัตนสูตรท่านอธิบายว่ารูปราวจรสมาธิก็ตามคือรูปฌานอารูปราวจรสมาธิคืออรูปฌานก็ตามเสื่อมได้ ต้องคอยระวังรักษากันมากแต่ว่าสมาธิที่สัมปยุทธ์ด้วยอารหัตมรักนี้ไม่เสื่อมสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีสมาธิใดเสมอเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่มีสมาธิใดเสมอด้วยสมาธินี้เรียกว่าอนันตริกสมาธิมีสมาธิอีกแบบหนึ่งเรียกว่าอาเนญชะสมาธิ อันนี้ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่25หน้าหนึ่งข้อ75หมายถึงสมาธิที่สัมปยุทธ์ด้วยอาราหัตตมรักอาราหัตตผลมีจตุทชาญเป็นบาตรคือได้จตุทชาญมาก่อนแล้วเอาจตุทชาญมาเป็นบาตรแล้วก็ได้อาราหัตตมรักอาราหัตตผลท่านเล่า ว, ว่ามีอยู่คราวหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งนิ่งอยู่ด้วยอเนญชาสมาธิเตนะโขปนะสมเยนะภะควาอเนญชาสมาธินานิสินโนภิกษุทั้งหลายก็คิดว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรก็ทราบว่าอยู่ด้วยอเนญชาสมาธิก็เลยพากันเข้าอเนญชาสมาธิตาม ที่นี้พระอนุลท่านไม่รู้พอล่วงไปซักระยะหนึ่งท่านก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพิสุจ์ทั้งหลายนั่งอยู่นานแล้วขอให้พระผู้มีพระภาคตรัสอะไรสักอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคก็ทรงนั่งเฉยจนวาระสุดท้ายปฐมยามล่วงไปแล้วพระอานุ์ก็กราบทูลว่าขอให้พระผู้มีพระภาคตรัสอะไรสักอย่างหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายนั่งอยู่นานแล้วพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายและพระองค์ท่านนั่งอยู่ด้วยอเนญชะสมาธิพระอนนต์ไม่รู้อเนญชัสมาธิผู้ที่จะเข้าได้ก็คือผู้สาเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วอเนญชะสมาธิก็ไม่เหมือนกับการเข้านิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติจะต้องได้ฌานแปด คนที่จะเข้าได้อย่างน้อยต้องเป็นอนาคามีตามกว่านั้นเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้วันนี้ก็ขอจบโอวาทปฏติโมกนะครับผมพูดมาตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2544ถึงวันนี้7มีนาคม2545ใช้เวลา54สัปดาห์ ขอขอบคุณอาจารย์ทองขาวพ่วงรอดพันธ์และผู้ร่วมงานที่อยู่ที่ อ, อสอมทอนนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่อดหลับอดนอนฟังและเข้ามาให้กำลังใจอยู่เสมอๆนะครับขอบคุณครับ